ขับไปเส้นลามินทาเราก็แบบชมบุรีหรือเปล่าก็อ้อมไปเรื่อยๆแล้วก็ไปอากสละบุรีเราก็ถามบิลลี่ว่าแบบไปสลับบุรีหรือเปล่าวะขับไปเส้นลามินทาเราก็แบบชมบุรีหรือเปล่าก็อ้อมไปเรื <t> ่อยๆแล้วก็ไปอาวสละบุรีเราก็ถามบิลลี่ว่าแบบไปสลับบุรีหรือเปล่าวะ